เพราะว่าการที่เราจะแก้ปัญหาทั้งหลายทั้งปวงในปัจจุบันนี้ทั่วโลกก็ปักใจลงไปที่ว่าจะต้องเพาะปลูกบุคคลให้เกิดปัญญาขึ้นถ้าคนเรามีปัญญาเพียงอย่างเดียวก็จะแก้ปัญหาทั้งหลายทั้งปวงได้เพระเหตุนั้นทุกประเทศจึงมุ่งพัฒนาการในด้านการศึกษาเป็นอันดับแรกของการพัฒนาประเทศ เพราะถ้าหากะ่าคนในชาติไม่มีการศึกษาแล้วประเทศชาตินั้นจะเจริญก้าวหน้าไปไม่ได้ปัญหาที่สําคัญจึงอยู่ตรงที่ว่าเราจะสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นแก่คนในชาติเนี่ยได้อย่างไร <Yeah. S 1> จึงได้ตั้งการศึกษาขึ้นมาความจริงแล้วปัญญาเนี่ยเกิดขึ้นได้สามทางทางหนึ่งเกิดจากการฟัง ทางหนึ่งเกิดจากการคิดและทางหนึ่งเกิดจากการอบรมการฟังเช่นอย่างเราฟังเทศฟังธรรมตลอดจนฟังคำบรรยายหรือที่เราได้ฟังคำสอนจากครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนเราในสถาบันการศึกษาต่างๆก็ดีอันนั้นเป็นปัญญาที่เกิดจากการฟังก็คือการศึกษานั่นเองส่วนการคิดนั้นหมายถึงการคนา้นคว้า การที่เราได้ฟังเรื่องราวอย่างใดอย่างหนึ่งมาแล้วเรามาค้นคว้าให้เกิดทักษะขึ้นเมื่อมีทักษะขึ้นในเรื่องราวต่างๆดีปัญญาก็จะเดินงอกงามมากขึ้นนอกจากจะเกิดทักษะแล้วปัญญายังมีส่วนที่จะเกื้อฟูนต่อชีวิตของเราเนี่ยหลายๆอย่าง คนเราสามารถที่จะใช้ปัญญาให้เกิดประโยชน์ทางด้านต่างๆได้แต่ว่าวิธีที่สามคือการอบรมนั้นปัญญาที่เกิดขึ้นจากการอบรมในที่เนี้ส่วนมากแล้วถ้าในทางโลกเราก็ใช้วิธีอบรมด้วยการฟังและการคิดสองระดับแต่ด้วยการคดค้ดคนคิดทางภาวนานั้นไม่มีมีแต่เฉพาะในพระพุทธศาสนาเท่านั้น ที่เรียกว่าภาวนามยะปัญญาเช่นอย่างที่เราไปนั่งวิปัสนากรรมฐานเนี่ยก็เพื่อที่จะเพาะปลูกปัญญาของเราให้เกิดขึ้นวิธีนี้เป็นวิธีอบรมและการอบรมนั้นก็คือการค้นคว้าหาความจริงเมื่อเรารู้ความจริงเกิดความฉเฉลียวฉลาดขึ้นมาแล้วนั่นแหละเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นจากการอบรมเพราะฉะนั้นเมื่อปัญญานี้ เป็นสิ่งเกือ้อกูลหรือเป็นรากฐานอันสาคัญของการพัฒนาทุกๆด้านอย่างนี้แม้ในด้านการพัฒนาจิตใจก็ต้องอาศัยปัญญาเหมือนกันถ้าสาธุชนขาดปัญญาแล้วเราจะพัฒนาจิตใจให้สูงส่งขึ้นให้เกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นก็ย่อมจะเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะทำอย่างไรจึงจะให้เกิดปัญญาขึ้นเพื่อผลประโยชน์ในด้านการพัฒนาจิตใจ โดยปกติแล้วในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนเรามีหลักปฏิบัติเพื่อที่จะไปสู่ความหลุดพ้นหรือไปสู่ความบริสุทธิ์หมดจดในบรรนัดปลายของชีวิตแต่ว่าความบริสุทธิ์หมดจดในบรรทัดปลายนั้นจะเกิดขึ้นแก่บุคคลได้ก็ต่อเมื่อผู้นั้นมีปัญญาเป็นพื้นฐาน ถ้าไม่มีปัญญาเป็นพื้นฐานเราจะพัฒนาจิตใจให้ไปสู่ความบริสุทธิ์นั้นก็ย่อมจะเป็นไปไม่ได้จึงมีปัญหาว่าเราจะสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นแก่พุทธบริษัทอย่างไรพุทธบริษัทจึงจะมีจิตใจสูงก็ต้องให้ปัญญาอีกการให้ปัญญาแก่พุทธบริษัทนั้นก็คือให้ความรู้ความเข้าใจในคาสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างถูกต้องตลอดจน พิธีกรรมต่างๆในทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องที่เป็นเรื่องของปัญญาโดยเฉพาะไม่ใช่เราจะมีแต่ความพักดีต่อศาสนาเพียงอย่างเดียวเราจะต้องมีปัญญาเข้าไปประกอบด้วยแม้แต่ท่านทั้งหลายจะสมาทานเบญจสินหรืออุโบสถสินท่านก็ต้องมีปัญญาเห็นประโยชน์ว่าเรารักษาสินนี้เพื่ออะไร สินนั้นจะให้ประโยชน์แก่เราเนี่ยอย่างไรเพราะบางท่านที่ไม่เข้าใจว่าเราจะรักษาสินกันนี้เพื่อประโยชน์อย่างไรบางทีรักษาสินแล้วก็กลับกลายเป็นความทุกข์ความกังวลขึ้นมาหลายหลายท่านเป็นทุกข์เพราะรักษาสินก็มีเป็นทุกข์ที่ต้องระแวดระวังว่าสินที่เรารักษาเนี่ยจะบริสุทธิ์หมมันขาดไปแล้วหรือยังเกิดความทุกข์จากการที่รักษาศิน ไม่ใช่เกิดความสงบเยือกเย็นไม่ใช่เกิดความสบายใจทั้งนี้ก็เพราะเหตุว่าไม่เข้าใจว่ารักษาศีนั้นนะ่ะอย่างไรจึงจะเป็นศีนอย่างไรจึงจะไม่เป็นศีนเพราะฉะนั้นแม้แต่การรักษาศีนเนี่ยเราก็ต้องใช้ปัญญาแล้วขั้นต่อไปถึงทานคือการบริจาคเราจะเสียสละบำเพ็ญกุศลจะสละทรัพย์ออกไปอย่างไรอย่างหนึ่ง เราก็ต้องใช้ปัญญาอีกไม่ใช่นึกจะบริจาค ก, ก็บริจาคไปโดยไม่ได้คำนึงถึงว่าการบริจาคนั้นจะเกิดบุญเกิดกุศลอย่างไรคือบางคนทำบุญมากจริงแต่ว่าประโยชน์ที่ได้จากบุญนั้นน้อยเหลือเกินเพราะว่าเราขาดปัญญาไม่ได้พิจารณาดูว่าสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์มากน้อยอย่างไรคิดว่าถ้าได้สร้างอย่างนี้แล้วมันก็ดี อย่างที่เขาบอกว่าถ้าใครอยากมีเสียงไพเราะก็ต้องสร้างะระฆังถ้าใครอยากเสียงดังก็ต้องสร้างกรองโยมก็สร้างะระฆังสร้างกลองกันใหญ่จนกระทั่งวัดหนึ่งมีะระฆังตั้งสิบกว่าลูกตีกันก็ไม่ทั่วถึงมีกลองตั้งหลายลูกแล้วก็ไม่ได้ตีเลยผลสุดท้ายเมื่อไม่ได้ตีมันก็ไม่ดังอานิสงส์ที่จะได้เป็นความดังขึ้นมามันก็ไม่ดังขึ้นเพราะกรองที่สร้างไว้ก็ไม่ได้เอาไปตี ระครังที่สร้างไว้เขาก็ไม่ได้อาปีตีเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าเราจะสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งนี้ควรที่จะได้พิจารณาถึงประโยชน์ว่าเราสร้างแล้วเนี่ยจะได้อะไรบ้างเช่เนอยปัจจุบันนี้บางท่านอยากจะสร้างวัดเห็นว่ามีที่มีทางแล้วควรจะสร้างวัดเห็นว่าสร้างวัดนั้น มีประโยชน์ได้รับอานิสงส์สูงมีสาทุชนหลายท่านมาบอกถวายที่อาตมาแล้วก็บอกว่าขอนิมนต์ท่านไปสร้างวัดอาตมาบอกถ้าถวายที่สร้างวัดแล้วก็อาตมาไม่รับหรอกเพราะว่าวัดเดี๋ยวนี้เยอะแยะถ้าถวายที่สร้างโรงเรียนแล้วก็รับถ้าสร้างวัดไม่รับแล้วก็บอกด้วยว่าที่กิตภาวันนั้นไม่ใช่วัด ถ้าสร้างเป็นวัดอาตมาจะไม่ยอมเหนื่อยยากมาสร้างเด็ดขาดแม้แต่จะรัฐนาไปเป็นสมภานวัดก็ไม่อยากเป็นเพราะไม่เกิดประโยชน์อะไรไม่ใช่ว่าพระพุทธศาสนานั้นอยู่ที่วัดพระพุทธศาสนาไม่ใช่อยู่ที่วัดถ้าวัดใดไม่มีการศึกษาไม่มีการปฏิบัติวัดนั้นก็เหมือนไม่มีพระพุทธศาสนา ถึงจะมีโบสถ์ใหญ่โตมีพระประธานยังไงก็เหมือนกับไม่มีพระพุทธศาสนาเพราะาพระพุทธศาสนานั้นอยู่ที่การศึกษาการปฏิบัติอยู่ที่ธรรมวินัยที่ได้มีการศึกษาธรรมะมีการปฏิบัติธรรมะที่นั่นแหละมีพระพุทธศาสนา็คําคำว่าวัดในพระไตรปิฎกก็ไม่มี ไปค้นดูได้เลยทั้งสามปีดกว่ามีวัดอยู่ในบาลีตอนไหนบ้างในพระสูตรไหนบ้างเราจะไม่พบคำว่าวัดในบาลีจะใช้คำว่าอารามเออารามใช้คำว่าอารามเพราะฉะนั้นในบาลีเบื้องต้นของสูตรเนี่ยถ้าจะขึ้นเอวัมเมสุตังเอกังสมยังทักวาสาวัติยังวิหารติเชตวันเออนาทัปินทิกัสอารามเม มีแต่อารามทั้งนั้นพระพุทธเจ้าประทับที่อารามเพราะฉะนั้นก็ขอให้พุทธบริษัททั้งหลายเนี่ยเข้าใจด้วยว่าพระพุทธศาสนา น, นั้นอยู่ที่ธรรมวินัยอยู่ที่การศึกษาและการปฏิบัติถ้าเราสร้างวัดไว้โดยที่วัดนั้นไม่มีการศึกษาไม่มีการปฏิบัติก็ไม่มีประโยชน์อะไรแม้เราจะสร้างโบสถ์เอาไว้ก็เป็นที่อาศัยของข้างคาวนกพิราบ ราคาตั้งตั้งล้านบางหลังแต่ถ้าล้านบาทนี่เราไปสร้างโรงเรียนได้ตั้งสองหลังหรือไปสร้างโรงพยาบาลยังเป็นประโยชน์แก่มหาชนยังกว้างขวางออกไปนั่นแหะคือบุญคือกุศลเนี่ยเพราะฉะนั้นแม้แต่การทำทานเนี่ยท่านทั้งหลายก็ต้องใช้ปัญญาจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งควรคิดว่ามันเป็นประโยชน์มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ควรจะคิดว่ามันเป็นบุญที่บริสุทธิ์หรือไม่ เราบางคนพอจะทำบุญสักอย่างหนึ่งก็ถามว่าทำร้อยบาทเนี่ยจะแจกอะไรบ้างมีตะกรุดกี่ดอกมีพระกลิ่งกี่องค์ถึงจะได้ถึงจะบริจาคหนึ่งร้อยบาทหาผลตอบแทนอย่างเนี้ยไม่เป็นบุญเพราะว่ามุ่งที่จะหวังผลตอบแทนแสดงว่าเราไม่ได้ทําอย่างคนที่มีปัญญาเลยแต่เราทำยัง คนมีศรัทธาอย่างเดียวแต่ขาดปัญญาทํำด้วยความงมงายเพราะฉะนั้นเราจะต้องพิจารณาถึงเหตุผลว่าเราจะทําบุญด้วยความบริสุทธิ์เนี่ยก็ให้เป็นบุญบริสุทธิ์จริงๆยังมีเครื่องล่ อ, อยังมีความงม ง, งายเข้ามาชาักจูงจะต้องมีแต่ความเฉลียวฉลาดมีแต่เหตุผลมีแต่ความถูกต้องคือธรรมะนั่นอาจจึงจะถูกหลักพระพุทธศาสนา เช่นอย่างสมมติว่าเราจะสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยก็ต้องไม่คำนึงถึงว่าการสร้างนี่จะมีอะไรตอบแทนบ้างเราจะได้อะไรบ้างได้เหรียญตราไหมหรือเราจะได้อะไรเป็นผลตอบแทนไหมไม่จาเป็นต้องคำนึงถึงแต่ว่าเราควรคำนึงถึงบุญเนี่ยมากกว่ามุ่งเอาบุญดีกว่าอย่างอื่นมันช่วยอะไรเราไม่ได้หรอกอย่างดีก็มานั่งเชยชมกันช่วชีวิตนี้ แต่ถ้าไม่เป็นบุญเป็นกุศลแล้วเราขาดทุนฉะนั้นก็ขอให้นึกถึงบุญถึงกุศลเนี่ยเป็นที่ตั้งพระพุทธองค์จึงได้ตรัสสอนนักหาว่าแม้แต่สาธุชนจะทำทานเนี่ยก็ต้องเป็นญาณสัมปยุตต้องประกอบด้วยปัญญาอย่าลืมว่าพระพุทธองค์เนี่ยไม่ได้คิดเอาแต่ได้อย่างเดียวคือไม่ได้คิดเอาแต่ว่าขอให้คนทำเถอะเป็นใช้ได้จะงมงายยังไงเป็นเรื่องของเขา ถ้า พ, พุทธองค์ไม่ได้เห็นแก่ได้อย่างนั้นฉะนั้นจะเห็นได้จากคําสอนทุกบททุกตอนหรอพระพุทธองค์ไม่ได้ง้อให้คนมาทําบุญไม่ได้ง้อให้คนมาทําบุญและไม่ได้ใช้ความงมงายชักจูงคนให้มาทําบุญเลยแต่ได้สอนอย่างมีเหตุผลแม้ว่าคนที่ขาดปัญญาจะไม่พอใจพระองค์ก็ไม่ต้องการแต่ไม่เคยชักจูงคนให้งมงายเพราะฉะนั้นเราจะพบได้ว่าในพระไตรปิฎกเนี่ยไม่ได้ง้อให้คนทําบุญ แต่มุ่งสอนให้คนฉลาดในการทำบุญเราจะเห็นได้ว่าพระพุทธองค์นั้นไม่ได้เห็นแก่ได้ไม่ได้เห็นแก่ได้เหมือนสาวกปัจจุบันนี้เลยมุ่งเอาแต่ได้อย่างเดียวแต่ไม่ได้คานึงถึงว่าคนจะงมงายแค่ไหนเขาจะเสียประโยชน์แค่ไหนไม่ได้คิดถึงสมัยพุทธกาลนั้นพระพุทธองค์สอนให้เราเนี่ยมีเหตุผลใช้ปัญญาในการที่จะสร้างกุศลอย่างไดอย่างหนึง่งอะไรเป็นประโยชน์เราจึงจะทำ ถ้าไม่เป็นประโยชน์แล้วก็ไม่ควรทำไม่เป็นประโยชน์เราไม่ควรเหนื่อยยากถ้าเป็นประโยชน์เราควรที่จะทุ่มเทความเหนื่อยยากลงไปเพื่อการกระทาอ น, นั้นแม้แต่การเจริญภาวนาก็เหมือนกันท่านก็สอนให้เราเนี่ยใช้ปัญญาไม่ใช่ว่า เ, เมื่อเรานั่งหลับตาภาวนาแล้วเพียงแต่เขาบอกว่านั่งหลับตาเพียงชั่วช่างกระดิกหูเนี่ยจะไม่ตกนรก ก็ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่เพรานั่งหลับตาให้ช่างกระดิกหูทีหนึ่งแล้วก็เป็นอันว่าใช้ได้เราไม่ตกนรกแล้วแต่ท่านหมายถึงว่าถ้าเราสําเร็จมรรคผลน่ะมันเร็วกว่าช่างกระดิกหูอีกเพราะเวลามรรคจิตเกิดทุลจิตเกิดมันเร็วกว่าช่างกระดิกหูถ้าได้มรรคจิตผุลจิตแล้วเราก็ไม่ตกอบายแน่ๆน่นะหมายถึงโลกุตรธรรมแต่ไม่ใช่หมายความว่าพอนั่งหลับตาแล้วก็จะบรรลุมรรคผลหมดทุกคนทุกคน เป็นเฉพาะบุคคลที่มีบา ร, รมีแก่กล้านั่งหลับตาแล้วอาจจะได้สมเร็จเป็นโสดาบันนั่นแหละไม่ตกนรกแน่ๆเราจะต้องพิจารณาว่าเรานั่งหลับตาเพื่ออะไรนั่งภาวนาเนี่ยเพื่ออะไรและจะได้ประโยชน์อะไรมาต้องมุ่งเอาประโยชน์มุ่งเอาความเจริญทางปัญญาเป็นที่ตั้งถ้าหากว่าอะไรประามที่มันไม่เป็นบ่อกเกิดของปัญญาแล้วท่านทั้งหลายอย่าไปทา มันจะช่วยอะไรเราไม่ได้เลยเพราะปัญญาเท่านั้นน่ะที่จะทําให้เราไปสู่มรรคผลนิพพานได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าท่านทั้งหลายจะทําอะไรก็ตามขอให้เราเนี่ยใช้ปัญญาให้มากในพระพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธองค์สอนให้สาธุชนทั้งหลายใช้ปัญญาแม้แต่การจะเลื่อมใสาการจะนับถือพระองค์เองก็ไม่ใช่ว่าจะเลื่อมใสและนับถือด้วยการฟังแม้แต่ท่านพูดสอนอยู่ก็อย่าเพิ่งเชื่อ ต่อเมื่อเราเนี่ยนําไปใคร่ครวญหาเหตุผลเสียก่อนแล้วจึงจะเชื่อในขณะก็ฟังจากพระองค์เองนะจากพระโอษฐ์เองเนี่ยพระองค์ยังสอนว่าอย่าเชื่อพระองค์นะยังต้องไปพิจารณาเสียก่อนถ้าเห็นเป็นประโยชน์แล้วจึงเชื่อถ้าไม่เป็นประโยชน์แล้วอย่าพึ่งเชื่อเี่ยฟังได้ปากเองก็ยังไม่ให้เชื่อ เพราะฉะนั้นเราจะไปฟังจากปากคนอื่นได้แล้วยิ่งจะต้องเพิ่มความไม่เชื่อให้มากขึ้นอีกหลายสิบเปอร์เซนตเช่นอย่างอตมามาพูดมาบรรยายธรรมะเนี่ยท่านทั้งหลายฟังธรรมะจากพระโอษของพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ยังบอกว่าอย่าเพิ่งเชื่อนะต้องไปไข่ครวญเสียก่อนถ้าสาวกสแสดงด้วยแล้วแล้วก็ยิ่งอย่าเพิ่งเชื่อมากขึ้นอีกหลายสิบเปอร์เซนที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ต่อเมื่อไปไข่ครควญเสียก่อนหาเหตุผลก่อนว่า จริงหรือไม่จริงที่พูดมีเหตุผลหรือไม่ถ้ามีเหตุผลแล้วจึงเชื่อถ้าไม่มีเหตุผลแล้วก็อย่าเพิ่งเชื่อมีประโยชน์แล้วถึงนำไปปฏิบัติไม่มีประโยชน์ก็ไม่ต้องนำเอาไปปฏิบัติยิ่งสาวกแสดงไปแล้วยิ่งต้องเพิ่มความไม่เชื่อขึ้นไปอีกหลายสิบท่านอีกหลายสิบเท่าตัวเพราะฉะนั้นนี่จะแสดงให้เห็นว่าแม้แต่พระพุทธองค์เองก็สอนให้เราเนี่ยใช้ปัญญาทุกๆด้าน ความเจริญงอกงามเนี่ยจึงจะเกิดถ้าหากว่าเราไม่ใช้ปัญญามาเป็นหลักปฏิบัติแล้วเราจะไม่ได้ประโยชน์อะไรในพระศาสนานี้เลยเวลานี้เป็นที่น่าเสียดายว่าเราไม่ได้ให้ปัญญาแก่สาธุชนกันอย่างกว้างขวางเราไม่ได้ให้ความฉลาดในด้านของการที่จะปฏิบัติกิจแม้แต่การบำเพ็ญกุศลบางทีใครจะให้ความฉลาดสักนิดหนึ่ง มันก็กลายไปขัดผลประโยชน์กับบุคคลอื่นซึ่งก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดอุปสรรคในการที่จะให้ปัญญาอย่างยิ่งแม้แต่การสอนสาุชนเนี่ยถ้าพูดอะไรตรงไปตรงมามันก็พลอยให้คนอื่นเขาเดือดร้อนใจก็ไม่ดีอาตมาเองเคยได้รับการต่อว่าต่อขานบ่อยๆ บ, บอกแหมท่านพูดแรงไปท่านพูดตรงไปความจริงไม่ใช่อะไรหรอกเจตนาเนี่ยไม่มีอะไรเลยในใจเนี่ย มุ่งที่จะให้ท่านทั้งหลายเกิดปัญญาเท่านั้นเองแปลว่านั่นแหละปัญญานั้นมันก็เป็นอุปสรรคเหมือนกันเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ท่านทั้งหลายพิจารณาเห็นประโยชน์แล้วนำมา ป, ปฏิบัติถ้าไม่เป็นประโยชน์แล้วก็ไม่จําเป็นต้องนาไปปฏิบัติและไม่ต้องเชื่อหมดทุกอย่างอะไรที่ควรเชื่ออะไรที่ไม่ควรเชื่อนั้นท่านทั้งหลายใครครวรดูเอาเองต้องใช้เหตุผลให้มาก ปัจจุบันเนี่ยจะเชื่ออะไรง่ายๆไม่ได้แม้เราได้เห็นแล้วก็ยังอย่าเพิ่งเชื่อเพราะมันอาจจะผิดต้องไข้ครควนแล้วไข้ครควนอีกเราจึงจะได้ข้อเท็จจริงจากสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมาเนี่ยเรื่องปัญญาจึงเป็นราก ฐ, ฐานอันสำคัญทีนี้ในปัญญานิเทศเนี่ยท่านสอนเราว่าเราจะได้ปัญญามาอย่างไร เมื่อปัญญาเนี่ยมีประโยชน์ท่านบอกว่าปัญญานั้นเกิดขึ้นมากมายหลายวิธีด้วยกันเราอาจจะได้ปัญญาด้วยการพิจารณาขันขันห้าโดยการพิจารณาถึงอายตนะธาตุอินทรีย์สัจจปฏิจจสมุปบาท เปล่าเนี่ยเป็นภูมิที่เราเรียกกันตามภาษาปฏิบัติว่าวิปัสนาภูมิวิปัสนาภูมินั่นก็คือเป็นรากฐานเป็นพื้นฐานในการที่จะให้เกิดปัญญาคือวิปัสนาปัญญานี้ขึ้นคนที่จะเกิดวิปัสนาปัญญานั้นต้องพิจารณาขันอายตนะธาตุอินทรีย์สัจจปฏิจจสมุปบาทจึงจะสามารถเกิดปัญญาได้นอกจากจะมี สิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นภูมิแล้วยังจะต้องสร้างความบริสุทธิ์สองอย่างให้เกิดขึ้นเป็นมูลฐานความบริสุทธิ์ทั้งสองประการนั่นก็คือความบริสุทธิ์ของศีลที่เรียกว่าศีลวิสุทธิความบริสุทธิ์ของจิตที่เรียกว่าจิตตะวิสุทธิถ้าเราสร้างความบริสุทธิ์ทั้งสองประการนี้ให้เกิดขึ้นแล้วความบริสุทธิ์ทั้งสองประการนี้แหละที่เป็นมูลให้เกิดปัญญา นอกจากจะมีศีลวิสุทธิจิตวิสุทธิเป็นมูลแล้วจะต้องอาศัยทิฏฐิวิสุทธิตั้งขาวิตรณวิสุทธิมัคคามัคคญาณทัทสนวิสุทธิปฏิปทาญาณทัทสนวิสุทธิและญาณทัทสนวิสุทธิเป็นสรีระร่างด้วยถ้าไม่ได้วิสุทธิทั้งห้าประการนี้เป็นสรีระร่างแล้วความบริสุทธิ์ก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า วิธีที่เราจะได้ปัญญามาอย่างไรเนี่ยท่านก็บอกว่ามีอยู่หลายวิธีเพราะฉะนั้นในวิธีแรกคือเรื่องการพิจารณาถึงขันในวิสุทธิมัทท่านแยกไว้เป็นนิเทศหนึ่งที่เรียกว่าขันทนิเทศขันท่านิเทศเนี่ยจําแนกขันออกไปโดยละเอียดเพื่อให้เราได้เห็นว่าขันห้าเนี่ยคืออะไรหมายถึงจําแนกชีวิตของเราที่มีอยู่สองส่วนคือกายกับใจเนี่ย ออกไปโดยละเอียดว่าสิ่งที่มาประกอบกันขึ้นเป็นชีวิตของเราเนี่ยมันประกอบด้วยอะไรบ้างในขันห้านั้นท่านจำแนกคำว่ารูปประขันรูปประขันนี่เราจำแนกคำว่ารูปเนี่ยออกไปว่ารูปนั้นมีอยู่สองประเภทคือมีมหาภูต ร, รูปมีอุปาทายรูปได้พูดถึงเรื่องรูปยี่สิบแปดรูปยี่สิบแปดเนี่ยจำแนกรูปออกไปโดยละเอียด เป็นรูปของประมัดนี่เป็นส่วนของรู ป, ปรขันจำแนกเวทนาขันออกไปจำแนกสัญญาขันออกไปจำแนกสังขารขันออกไปเป็นเจตสิก ข, ของแต่ละดวงจำแนกวิญญาณขันออกไปเป็นจิตแต่ละดวงแต่ละดวงเรียกว่าขันทะนิเทศเพราะยังคำว่าขันห้าเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของขันห้าแล้วก็คือเรื่องชีวิตของเราเนี่ยทั้งชีวิตนั่นเอง และเราจะรู้ชีวิตนี้โดยละเอียดแล้วเราก็ต้องรู้สภาวะธรรมของขันเช่นท้ า, ามวมารู ป, ประขันเนี่ยคืออะไรแล้วจะบอกคือรูปร่างกายเหล่านี้รูปร่างกายทั้งหมดหรือที่เรียกว่ารู ป, ประขันท่านจะแนกออกไปเป็นส่วนย่อยอีกอันนี้เป็นมหาภูต ร, รูปอันนี้เป็นอุปาทายรูปจะแนกออกไปเป็นส่วนย่อยที่เรียกว่ารูปยี่สิบแปดรูปยี่สบแปดเนี่ยท่านจะระไนไวโดยละเอียดในคำทีอภิธรรมปิฎกแต่ถ้าแม้พระสูตรแล้วก็พูด หยักหยากไว้วันนี้เป็นขันห้าเป็นรูปประขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขั น, ขลขนและวก็ไอคำจากัดความว่าคําว่ารูปนั้นหมายถึงธรรมชาติที่จะต้องแตกสลายไปด้วยอํานาจแห่งความเย็นและความร้อนในเช่นอย่างร่างกายเราเนี่ยมันแตกสลายได้ด้วยอํานาจแห่งความเย็นความร้อนความเย็นความร้อนเนี่ยเป็นวิโรธิปัจจัยแก่เบนจะขันคือแก่รูปประขัน ถ้ารูปประคันนี้เย็นจัดเกินไปก็แตกสลายร้อนจัดเกินไปก็แตกสลายเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่ในอุณหภูมิที่หนาวจัดเราก็ตายอยู่ในอุณหภูมิที่ร้อนจัดเราก็ตายที่ตายเนี่ยคือเพราะรูปประคันมันทนไม่ได้มันต้องแตกสลายไปด้วยอํานาจแห่งความเย็นและความร้อนเนี่ยเป็นธรรมชาติของรูปซึ่งสภาวะธรรมของรูปน่ะเป็นอย่างนี้ท่านก็จะแยกเรื่องรูปประคันเนี่ยออกไปให้เราเข้าใจโดยละเอียด ความพิสดารและความละเอียดละอ่อนนั้นอยู่ในอภิธรร ม, มปิดกเพราะเป็นสภาวะประมั ธ, ธรรมท่านก็จำแนกออกไปเพราะฉะนั้นในขันธนิเทศเนี่ยถ้าเราศึกษากรโดดละเอียดให้เข้าใจแล้วเราจะเข้าใจในเรื่องชีวิตเนี่ยโดดละเอียดดีขึ้นว่าอะไรเป็นอะไรแต่ท่านทั้งหลายที่จะเข้าใจในเรื่องของขันเนี่ยจะต้องเข้าใจในเรื่องของปรมติโดยเฉพาะในอภิธรรมโมปิดก เราเรียนอภิธรรมอภิโดกแล้วเราจึงจะเข้าใจว่าอันเนี้คืออะไรแล้วก็เข้าใจอย่างถูกต้องด้วยเพราะอภิธรรมปิโดกนั้นก็คือความจริงความเป็นจริงที่มีอยู่ในชีวิตของเราทุกคนเพราะว่าถ้าเราไม่ศึกษาแล้วแม้แต่ตัวเราเองเราก็ไม่รู้จักเราอาจจะรู้จักสิ่งอื่นมากมายภายนอกตัวเราแต่ว่าในตัวเราเองเราไม่รู้จักเลยว่าในตัวเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่ประกอบเป็นรูปขึ้นมา เราจะรู้เราจะเห็นแต่สิ่งที่เรามองเห็นสิ่งที่เราใช้สอยกันอยู่เป็นประจำพอเกิดมาแม่ก็สอนแล้วอันนี้เรียกว่าปากอันนี้เรียกว่ามืออันนี้เรียกว่าตาอันนี้เรียกว่าหูเข้าโรงเรียนครูยังสอนอีกอันนี้เรียกว่าปากพอพูดถึงหูก็ให้เด็กเอามือจับหูอันนี้หูนี่จมูกนี่ปากนี่ตาสอนให้รู้จักอวัยวะต่าง แต่ก็สอนให้รู้จักแต่เฉพาะว่าอันนี้เขาเรียกว่าอะไรแม้แต่การใช้บางทีก็ยังสอนไม่ละเอียดสอนแต่ว่าถ้าจะกินอาหารก็ต้องกินทางปากอย่างนี้อันนี้จะดูอะไรก็ต้องอาศัยตาดูจะฟังอะไรก็ต้องอาศัยหูฟังสอนให้เรารู้จักใช้อวัยวะต่างๆเท่านั้นเองแต่สิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันก็เป็นไปโดยธรรมชาติของมันเองอยู่แล้ว แต่ความลึกซึ้งของสิ่งทั้งหลายเหล่านี้นั้นเราไม่รู้เรามารู้ต่อเมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสสอนว่าตาเนี่ยนอกจะด็จทำหน้าที่ดูแล้วตายังเป็นประโยชน์อย่างไรบ้างมีคุณอย่างไรมีโทษอย่างไรเราจะรักษาตาอย่างไรจะรักษาหูรักษาจมูกรักษาลิ้นรักษากายรักษาใจเนี่ยอย่างไรเนี่ยท่านสอนถึงคุณและโทษของสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ความรู้ชนิดเนี่ยเราจะต้องอาศัยการศึกษาธรรมะ เช่นเราไม่เคยคิดเลยว่าตาเนี่ยมันจะเป็นบอกเกิดของอกุศลมีใครคิดบ้างไหมว่าความชั่วเกิดขึ้นทางตามีใครเคยคิดบ้างไหมว่าความโลภความโกรธความหลงเนี่ยมันเกิดขึ้นทางตามีใครคิดบ้างไหมว่าขันห้าเกิดขึ้นทางตาความเกิดความดับมันก็เกิดขึ้นที่ตาความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตามันก็เกิดขึ้นที่ตา การเสวยผลกรรมดีกรรมชั่วมันก็เสวยที่ตาอยู่ที่ตรงนี้มันไม่มีตรงไหนเราไม่รู้เรามารู้เอามาตอนที่พระพุทธองค์ท่านสอนเราจึงเห็นว่าโอโหตานี่ไม่ใช่เรื่องเล็กสะแล้วเป็นเรื่องใหญ่แล้วตาเนี่ยประกอบด้วยอะไรท่านสอนสอนละเอียดเช่นอย่างจักขุปภาษาทรูปเนี่ยคขามาจักขูปภาษาทรูปนี้ท่านจะสอนว่าเขามาจักขุภาษาทะเนี่ยคืออะไร ตาเป็นอุปาทายรูปตาจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยมหาภูตรูปเกิดคือมีธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟธ า, าตุไฟธาตุลมและยังจะต้องมีส่วนประกอบอีกคือมีวันณนะคันทะราซาโอชาเป็นอวิณิโยครูปขึ้นเมื่อเป็นอวิณิโยครูปขึ้นก็ประกอบด้วยจัคคุปสาทะก็เป็นเก้า เ, เรียกว่าจักขูปกข่ประสาทจักขู่ประสาทรูปเราจะเห็นได้ว่าแม้แต่ตาเนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่ซะแล้วและเพียงก้าวอย่างนี้มันก็ยังใช่ไม่ได้มันจะใช้ได้ต้องมีชีวิต ร, รูปร่วมด้วยอีกหนึ่งจึงจะเป็นตาที่สมบูรณ์ตาที่ไม่มีชีวิต ร, รูปร่วมด้วยก็คือตาคนตายมีตาเหมือนกันแต่มองอะไรไม่เห็น อย่างคนตายนอนลืมตานะ่ลาอะไรไปแก่งตาก็เฉยไม่กระพริบไม่อะไรเพราะอะไรเพราะชีวิตรูปมันดับแล้วเมื่อชีวิตแตกดับแล้วตาก็เห็นอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นคําว่าตาเนี่ยก็ต้องประกอบด้วยส่วนประกอบถึงสิบอย่างในภาษาธรรมะท่านใช้คําว่าจักรขุทัสกากราม คือกราบรูปที่มีจักขูปประสาทเนี่ยเป็นที่สิบจักขูปประสาทะทัศก์กราบสาว่ากราบเนี่แปลว่าหมดหมู่แหววหมวดหมู่ของรูปที่มีจักขูปประสาทเป็นที่สิบเนี่ยคือตาประกอบเันขึ้นเป็นตาลำพังตาอย่างเดียวยังเห็นอะไรไม่ได้ตานี้จะต้องมีวิญ ญ, ญาณประกอบมีจิตมีเจตสิกเฉพาะจิตเจตสิกก็ยังเห็นอะไรไม่ได้ต้องมีรูปตารม คือรูปมากระทบมีรูปอย่างเดียวมากระทบบางทีก็ไม่เห็นถ้าไม่มีแสงสว่างต้องมีอาโลกะคือแสงสว่างมาประกอบอีกจึงจะเห็นรูปได้ถ้ามีแสงสว่างแล้วขาดมนัสสิการคือการตั้งใจดูก็ไม่เห็นอีกต้องมีมนัสสิการเข้ามาประกอบจึงสําเร็จเป็นการเห็นขึ้นเนี่ยเราจะเห็นความละเอียดละอของ คำสอนว่าพระพุทธองค์ได้สอนละเอียดแค่ไหนอันเนี้ยท่านทั้งหลายจะเข้าใจได้ต้องเรียนอภิธรรมมาปิดกฉะนั้นผู้ที่ไม่ได้เรียนเนี่ยปฏิเสธอภิธรรมไม่ใช่พุทธพจน์อภิธรรมเป็นนั่นเป็นนี่มันเป็นเรื่องของคนไม่รู้มานั่งพูดกันไม่รู้อภิธรรมคืออะไรเพียงแค่ตาเนี่ยไม่ใช่อภิธรรมหรือในตัวเราเนี่ยคืออภิธรรมล่ะหูกับอภิธรรมจมูกอภิธรรมลิ้นก็อภิธรรมกายก็อภิธรรมใจก็อภิธรรม มันอยู่ในชีวิตเราเนี่ยคืออภิธรรมถ้าปฏิเสธอภิธรรมก็ปฏิเสธความจริงในชีวิตของตนคนไม่รู้อภิธรรมก็เหมือนไม่รู้ชีวิตแล้วไม่รู้จริงๆเพียงแต่แค่คําว่ารูปประคันเนี่ยผู้ไม่เรียนอภิธรรมลองลองแจกรูปประคันออกไปให้ละเอียดสิว่าอันนั่นเป็นอะไรอันนี้เป็นอะไรแจกไม่ได้หรอกรู้แต่ว่ารูปรู้แบบนกแก้วนกขุนทองแต่ไม่รู้ว่มันรูปนั้นมันคืออะไร รู้เนี่ยเป็นรู ป, ปรขันไม่ใช่เป็นขันห้าก็ขันห้าแบบนอกแก้วนกขุนอทองถ้าถามว่าขันห้ามันประกอบด้วยอะไรบ้างลองเจริญนายให้ละเอียดสิออามาประกอบด้วยรูปรูปนั้นคืออะไรบอกมหาภูตรูปมหาภูตรูปคืออะไรอุปาทยุปคืออะไรแจกออกไปแจกไม่ได้หรอกถ้าไม่รู้อภิธรรมลองจับมาทีละองค์ทีละองค์ไล่กันก็ได้ไม่รู้ว่าเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้เรื่องนี้ก็เหมือนไม่รู้ชีวิต ดันั้นในขันธนิเทศเนี่ยท่านพุทธโคสาาจารย์ท่านแจกออกไปโดยละเอียดเลยว่าขันนั้นคืออะไรเราไม่รู้ตัวเราเองเป็นอันดับแรกคือขันแล้วเราจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างให้ถูกต้องนั้น่ไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านจึงวางขันไว้เป็นวิปัสนาภูมิหมวดแรกว่าขันห้านักปฏิบัติผู้ที่จะอบรมปัญญาจะต้องรู้คนที่ไม่รู้เรื่องขันห่านั้นจะเรียกว่าเป็นคนมีปัญญายังไม่ได้ จะต้องเรียนรู้เรื่องขันห้าเสกอดว่าขันห้านั้นคืออะไรนั่นแหละจึงจะเรียกว่าเป็นผู้ที่มีปัญญาหรือปัญญาจึงจะเกิดได้เพราะฉะนั้นเพียงแต่แค่รูปประขันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าท่านสอนละเอียดลึกซึ้งลงไปเพียงใดเราต้องศึกษาถึงเรื่องรูปเนี่ยให้เข้าใจโดยละเอียดท่านจาแนกรูปแล้วก็มาจาแนกถึงเวทนาเวทนานั้นหมายถึงกามเสวยอารมณ์